อย่าง um เป็นแนวไอทอเททนกี้ก็ถือว่าโรงพยาา อัไรแบบนั้นไปเขาบอกว่าทำยุกฉันข้าวแข็เยียวไม่ถือปัจจัแล้วก็มีอย่างด้วยไม่ใส่รองทางก็เลยสมัครสมัครโบสที่วัดโบสถาราองคข้าโบสนี้ก็คือว่าเป็นเด็กวันนอก การพ่อิอ่านหนังสือก็ลำ ม, มากมากเห็นตัวหนังสือจะอ่านไม่ถูกเพราะว่าเรียนมาข้อม่ได้ไม่ จ, จบเพราะว่าครูให้จบคือว่าจุดนั้นก็ไม่จบ เ, เจบ็เจตนาโรงเรียนไม้จบไปไปเจองตอนนี้เราคิดตัวาชีวิตการงาน ขาาาาาาาา้ามาการเข้าไ่ดูวัดของมันต้องเดดเ่ยนชั่งวงชั้งไปต้อบูเอา้วก็เกิดความติดติดในที่เราเห็นาระที่สน่านามความน่หงามของค่ะไม่เคยเห็นเลยที่สุดทุกคนไปรับพระองค์ท่านต่อมาก็เป็นแต่ควมามนอกก็ถือว่านังชาปูงไปตรงกลางมือพระนะงานโจรนั้นมา เพื่อจะถวายนชาครับเขาก็จะบออกมาให้ไปอาบน้ำํำคือจริงๆความดำประมาณนี้มันเป็นธรรมาตะิมันเปลีป่ยนแปลงไม่ได้เขาจะไปอาบเสร็จแล้วก็ไม่ขาวกลับมาก็จะเข้าไปอาบน้ำอุ่นอันอีกทําังไงก็จะไปให้ได้องค์ท่านเห็นความตั้งใจเลยบอกกลับกข้มาเลย็ออยากถวายนชาเราเพื่อถวายน้ำชาผมนะครับ มันความปิติใจมันตั้งมาอยู่มันไม่อยู่มันอยากจะลอยไปหาเลยนะมันบอกไม่ถูกมันเกิดขึ้นในจิตมันไม่ได้เป็นธันเพราะเราไม่รู้เรื่องเราตัดอารมณ์ันคืออะไรมันเป็นไงไม่รู้แต่ความปิติมันมันตั้งมาอยู่ถึงเขาจะเอาไปฆ่าไปย่อมนะขอได้สว่างกระจ่างกเลยได้ ตอนแรกท่านันตัม่ครับมาประมาณสามทีวันพระเ็กข้าบวชครางบวนั้นก็ได้คิดว่าจะในไหลเพอเห็นเข้าบวชแล้วก็หมู่เพื่อนก็ไปนั่งฟังก็ได้กาวสารปุ่นวุ่นผมขอไปนั่งต่อนาก็หมู่ขนก็นั่งฟังกได้กล่าวสารวุ่นวุนมไปนั่งภาวนาก็โน่นนี่น้อยใจข่าวไม่ได้ออกโอกาั่ นั่งเหมือนกระไรไม่ลมไม่ได้ทำใจไปนั่งในส ม, มุดคืออยากไปนั่งดูว่าเขานั่งยังไงต้องมาดูสดลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้ามาก็ถึงแค่คอค่อหายใจออกก็ยังขึ้นไปสมก็ขยายหายใจเข้ า, าออหายออกประมาณสิบนาทีในจิตลึกๆ ล, ลึกมากในจิต ไม่เคยเกิดขึ้ น, นนั่งภาวนาอย่างนี้มันไม่สงกต้องนั่งอย่างนี้เกิดขึ้นในเจ็ดไดมันโผล่มาได้ยังไงเนี่ยว่าต้องนั่งอยนี้สอนวิธีนั่งเลยครับแล้วก็ดลดลมหายใจเข้าไปเข้าไปถึงคอแล้วก็เลื่อนไปรู้สึกไว้คอตรนี้ลมหายใจออกมาไม่ได้ตาม เพราะเอาแค่ความรูส้สึกพุทธเข้าไปตรงนี้โพล้วก็ผ่อนลงจากลำคอลงนี้จึียวพุทธเราก็ลงมาอีกนิดหนึ่งโทลก็หล่นิดหนึ่งพุทก็ลงนิดนึงโทลก็หล่นิดหนึ่รรงคือเปลี่ยนเอาตัวรู้สึกความรู้สึกเพราะไม่ได้ดั่เลมลมเขาออกแต่เอาตัวรู้สึกนี้มันไม่เท่ลมมันเปลี่ยนการรเลย น mm hmm. right ั้นก็ลงมาเลยพุทธพุทธมาเพื่อจนถึงลิ้นปีกจากลิ้นปีกก็ลงมาอีกจนถึงหน้าท้องจากหน้าท้องขึ้นมาก็เหมือนโบนครล้ายๆว่าโบนอะไรคอดขึ้นมาคลอดพุกจิตก็ดิ่งลงเลยดิ่งดิ่เหมือนนัโดนข้อนหินลงน้ำเจ้าปยาลงแรงมากเลยลงจนนั่งเปรตทั้งตัวเลยเหมือน แต่ตายในืุกเดียวมันคือดิ้นมากจิตลงแรงมากจรงจนที่เราสุดท้ายก็าตายทิ้งใจตายแล้วก้งตายจิตมันวอือ่อรย่าเ้ยสุด้ก็ตายเลยครับจิตเขาก็ท้าพุทจิตสงบเลยแต่ที่ในความทู้สึกนอนว่าตายตาย ตัวขึ้นมาเไม่ต้องบริการพุทโธตัวผู้รู้สึกมันบริกรรมในหัวใจในผู้รู้ในกลางต่เรานะพุทโธพุทโธพุกได้ที่เดียโอ้เขาบริการตจนที่ว่ามันบริการเขาเองแต่ก่อนเราราลึกรู้องค์การกำกับควบคุมดูแลทั้งหตั้งแต่จิตที่เราตายเลยแล้วโตขึ้นมาหมดไม่ต้องบริการขึ้นใหม่เลยห ขึ้นมาเอาเลยเป็นที่เลยทุกปีนาทีไม่มีช่องว่างเลยเลยเราจะนึกคือไม่มีโอกาสทีจะนึกไปข้างนอกพ อ, ม, ก อ, อ, ววอ ม, ม, มันเกิดขึ้นทํางในก็เลยพี่ว่าหแต่ใหม่เป็ น, นอย่างนี้เกอตลอดจนนั่งไปจะมองเงินของทั้งมองเขาเริกเลิกไปเราเก็เริกการเลิกแล้วในวาระพูดโทรศัพท์ไม่คาด เดินไปไหนก็พุโทโธนั่งเขาห้องน้าำก็พุโทโธไปยหนก็พุโทโธเลยวันนั้นก็คืนนั้นเดินจนโงทั่งคืนคือพุโทโธไม่ให้นอนเดินประดิษฐ์กรอบโปดพระพุทธภาดามเดินไปเรื่อยมาตมาก็าก็ตัวต่ำแล้วก็สูงเขาก็บอกเปรตวันนี้มีเปรตขึ้นมาเดินไม่หยุดไม่ย่อนเลยคือพุโทโธไม่ให้นอนพุโทโธไม่นอนทานาําไงก็ไม่นอน สนเกือบใครสวรรคเข้าไปเข้าไปในห้องปังหนึนง่งนั่งไปก็ไม่ถึงตัวโมงสวางหลวงปู่ก็รายงานไปเรียกว่าเรียกครับทำอะไรนันไม่ไึงห้องมันเป็นยังไงท่านก็เรียกมาบว่าเป็นยังไงพคืออหลวงปู่ขอให้หลวงปู่ช่วยเอาพุโทโธออกจากห้องชผมเถอะตอนนี้นะผมคิดผมจะคิดถึงแม่ผม ผมจะคิดถึงรู่ตัวนี้มันคิดไม่ได้หลวงปู่ช่วยเอาออกให้ผมหน่อยเถอะตอนนี้หลวงปู่ช่วยดูเถอะทำไมมันบริกรรมไม่หยุดไม่หย่อนทํำให้ผมไม่มีท่องว่างทุกวินาทีมันย้ำย้ำย้ำในหัวใจผมตลอดเวลาหลวงปู่ท่างมันง่ายอยู่ท่าบอกเอาออกไม่ได้เอา้าหลวงปู่อาออกไม่ได้แล้วผมจะสึกได้ยังไงสึกไม่ได้เอ้าได้ถึงจะันได้จะไป ไ, ไ, ได้ไงไมได้ หลวงปู่แล้วจะทำไงผมจะคิดถึงแม่ผมซะหน่อยได้ไหมไม่ได้เพราะพุทโธคิดเองหมดตอนนี้เลยหลวงปู่ท่านหลวูดธรรมะท่านซึ้งอยากจะกราบได้กจกรับกราบเท่าไหรก็ไม่สักเลยสักทีเห็นอะไรก็เป็นธรรมหมดมองอะไรก็เป็นธรรมหมดทุกอย่างในรอบตัวเราไม่ว่าใบไม้ฝนแดดอไปมองก็เป็นธรรมหมด โอ้ไม่ยายเป็นทำหมดเลยไม่มีเสียงออื่นเลยมันเกิดขึ้นจนที่ว่าน้ําตากระไหลทุั้งหวดตลอดเวลาคือไหลไม่แท้เลยมันพิติก็ทําไมทำคํา้องของพระพุทธเจ้ามันก็เสดจริงๆว่าเสดมากไม่มีอะไรหลือในชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วไม่มีเลยไม่มีอะไรในโลกนี้เลยจะประเสริดเท่าของพระองค์ท่านเป็นจริงไม่ใช่ของปลอม นะฮะของจริงเลยเกิดขึ้นอีกกลากไหลวงปู่พูดเท่าไรว่าน้ําตากระไรมันมันมั น, ม, นมันต้านมาอยู่มันไม่ใช่พีตีมันซึ้งในคนําำ ข, ของพระพุทธเจา้าอ่ะท่านสอนจริงเห็นจะริงนะหลวงปู่ก็เลยให้ฉั น, น, นะฉ น, นข้าวรวมกันนะฉันข้าเสร็จก็เข้าห้องกัหลวงปู่คุยธรรมะตลอดเลยเดินเที่ยงแล้วลกัหลวงปู่ท่านมี จากที่เห็นเนอมาป่ะตรงน้ำหลวงปู่ตรงน้ําอาเจย์แล้วตามมาต่อหลวงปู่บอกว่าไม่ต้องไปนา่งกับคนกลุ่มเขแล้วนะไปนั่งคนเดียวเธอไม่งะนานไงพุทโธไม่หาเลยคุยกับหลวงปู่ตัต้งวันนึงคือไม่หาไปนั่งคนเดียวก็ไป น, นั่งหกโมงเย็นไปนั่นงปุ๊บไอปัวพุทโธนี่โยมมันอัศจรรย์อีกมันมองเห็นตัวเรามันเป็นดินเป็น น, าน้าเป็นลมเป็นไฟ อ, อะไรทังเป็นอย่างนี้ มองอะไรก็ไม่เห็นตัวเองมองไปไอันนี้เหลือดินน้าลมไปมองอตัวผู้รู้เป็นผู้มองไงเพราะตัวเราตาเรานะั้นหมดจิิตที่จะจะนี่เลยวีตาในอย่างเดียวเป็นผู้กำกับเพราะเรากำกับไม่ได้ในความรู้สึกของเรากำกับไม่ได้ที่เรือที่เรารู้ให้ชัดเจนที่สุดบาจงจิตของเราโดนเปลี่ยนแทนเปลี่ยนไปแล้วแต่จิตที่เคยมีอยู่ ความตรุงแต่งทางโลกต่งตงางๆนะโดนเปลี่ยนหมดตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดไปดมมนธรรมะมันชากการทั้งหมดมองเห็นตัวเนี่ยเป็นดิ็นน้าตกกลับไปกลับมามองไงก็เป็นไะมองไงก็เป็นนะ น, น, น, น, นั่นจะมองแล้วกตกลับไปกลับมาแยกแยะตายไปโอ้โหมันแยกเขามันในตัวเลยไม่ต้องไปปรุงแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นดินเป็นน้านเป็นลมเป็นไปไม่มีในนั้นเลยมันเกิดขึ้นด้วย ผู้รู้ตัวนี้เป็นผู้บัญชาการดําเนินการเองหมดเลยไม่มีที่เราจะไปเอาความจินตนาการเข้าไปเสร็จใส่ไดนะพิจารณาแยกไปแยกไปแยกกลับไปกลับมากลับไปกลาบมาจนที่ว่าแน่ใจสองโมงสามโมงสมงีส่โมงกลับจนจำวิจารณ์นานแน่นอนแล้วว่ากายกับจิตมันคือเรื่องไหนตอนนี้ผู้รู้ก็บอกว่าใ น, ใ น, นี่คือจิตนเป็นไป น, นะออกขั้นกว่า ขันท่าตั้งสี่เต็นไะครับ่าตั้งสี่ไม่เกิดปฎิจิตท่าตั้งสี่ก็เป็นน้ำหน่งไไม่เกิดมันไปแช่ของมันออกเสีตอนนี้จิตผู้รู้ตรงนี้ไปแยกตอนนี้แยกจักจากท่าสี่แล้วก็ไปแยกขันท่าโอ้โหมันไปเรานั่งท่าเดียวนะไม่เพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปเพราะไม่รู้จะเปลี่ยนตรงไหนนั่งท่าเดียวโดนจำกัดตลอดเลยแยก ขันท่าทุกคืออะไรเหตุเกิดทุกเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงโอ้ยอะไรมันทําไมถึงเอาคือว่ามันนั้นรวนตันกันทั้งคืนทั้งคืนมันแยกจนแม้แต่วิญญาณก็ไม่เหติเหตถึงขนาดวิญญาณก็ไม่เหติเหตนะเพราะว่าไม่เกี่ยวข้องกั น, นเพราะที่ว่าแยกกันเพราอะไรมันถึงที่สุดแล้วถึงจิตของเราแยกจนถึ ง, ถง วิญญามันเหลือแต่ความว่างความสว่างความว่างขอ ง, ว ค, ววงความสว่างก็คือไม่มีอะไรในสภาวะตรงนั้นนะฮะเหมือนมันมันถึงที่สุดของของสภาวะของจิตมันเป็นที่สุดเราก็มองมันก็ไม่มีที่จะไปแล้วเพราะมันมีความว่างสูงสุดและความสว่างก็คือความสว่างนีง่คือความใส่ใจนั่นแหละนะฮะมันเป็นอเนื้อเดียวกันอยู่ ตอนนี้จิตเลิกลึกมันบอกว่าเราต้อตงแยกความว่างกับความสวานีนคือตัวอวิชชาไม่เคยอ่านหนังสือเลยอวิชชาตมาธิแต่ง่างไม่เคยเพราะว่ามันไม่ไปอ่านหนังสือหนังสือตั้งหาธรรมะธรโมไม่เคยไมยังไม่ไมแตกออกเพราะว่ามันอันหืังสือไม่ถึงเลยบอกอวิชชามันตน้องแย่การแยกของมันเป็นมันเป็นจริงจื่เือเชื่อที่สุดเลย มันแยกความว่างก่อนสั่งถ้าเรายกกุฏาหอเออเรียกยุกอะไรมาเปรียบเทียบให้เกิดความชัดเจก็คือว่ามือนเรามีนไปจบที่ใสที่สุดนะฮะน ะ, ะอันนี้จบที่ใสที่สุดจนมองอะไรทุกข์ไปหมดเนะี้ยไม่ใค่ว่าดกระจกลแล้วจเอามือไปทําเป็นกระจกฮะอันนี้ก็สมุทให้นะแต่ในจิตตรงนั้นไม่มีตัวตวนี้มันบอกความว่างก่งอนสั่งคือตัววิชชาเพราะมันมี เขาเรียกว่าอนุของมันในตัวเยื่อไหลเล่นนิดๆนิดๆตรงนี้ตอนนี้อาการแย่ตัวปัญญาตัวนี้มันแย่เองแย่เหมือนรับผ่านรุ่ดีเหมอกเราปรีดอะไรปรีดอาการเสร็จแล้วใช่ไหมความว่างเขาความว่างนีแต่ออกจรกการแต่ออกจาการจุกจิตของเราก็หลุดไอ้ตัวจิตเหมือนลงจันทร์รุ่ไปเป็นดูเป็นเหมือนลงจันทร์ลอยข้างบนพุ่เลย ร okay. ี่อยนี้มันไม่ใช่คือจิตของเรามันไม่อยู่ในโลกในธาตุก็ไม่อยู่ในขันก็ไม่อยู่จิตมันอยู่เหมือนโลกจิตก็บอกเลยตรงนั้นอ่ะเพราะว่าเราไม่เป็นธาตอะไรเลยเราอิสระแล้วเราไม่เป็นธาตไปแล้วยิ้มตลจิตยิ้มด้วยทำไมธาตุจิตยิ้นั้นไม่อะไรไม่มีอะไรติดตัเองไม่มีอะไรครอบงำตัวจิตตรนี้ไม่คือโลกเนี้ยไม่มีโลกในจิตของเราตรงนี้จิตไม่อยู่กับโลก โรกเขาก็ได้อยู่ปีจิตไม่มีอะไรบังคับกันเราก็คือจิตเหมือนดวงใจท่านนั่งตรงนี้ทาหน้าที่ตรงนี้ตั้งแต่หกโมงเย็นไปถึงหกโมเงเช้าวนเคาะประตูอีกล้วงปู่ให้เรียนมาเคาะประตูรู้สึกสิตหมาก็ต้องไปก็เลยไปหาลูกปู่ลูกปู่บอกเป็นไงนานตอนนา้นคือบอกูกปู่หมดําพูดแล้วครับทาไมถึงพูดอย่างนั้น ครับจิตกับโลกมันกันมันคนละเรื่องครับจิตไม่อยู่กับโลกโลกก็ไม่อยู่กับจิตครับไม่มีคําพูดเลยในโลกในที่หมดทั้งหมดในโลกไม่หมดคําพูดครับไม่มีคําใดที่จะกล่าวถึงจิตที่เกิดขึ้นหลวงปู่ก็เลยนั่งนั่นั่งไปนั่งเราเขนั่งให้ท่านดูเลยแหละจะไปกลัวอะไรก็ของไม่เกิดในจิตหลวงปู่ช่วยดูหน่อยทอะไรนั่งนั่งไปเฮ้ ไอันนี้นะมันถึงโลกุตรามออกมาพอรูกปูโลกุตรามเป็นยังไงจิตในโลกผมมีจิตในโลกแต่โลกุตราไม่มีจิตในโลกผมมีครับท่านก็พูดเรื่องชาเรื่องนานบอกไอ้ที่ลูกปูพูดนะผมมีหมอแต่ผมไม่รู้จักชื่อมันมีหมดเลยลูกปูแต่ไม่รู้จะกชื่อแต่ตอนนี้มันอยู่ตรงนี้นะเออไม่ต้องไปเรียนนะพระมหาเจ้าไปอยูกระสุ่งไม่ได้แล้ว แห่เนี่ยจะจบแล้วมันถึงที่สุดแล้ววันนั้นอะหลวงปู่เรีย่ยเราไปถ่ายภาพกันท่านบอกออกพรนถามแล้วให้ไปอยู่กับหลวงตามหาบวูวเพื่อไปเอาข้อวัดไปฏิบัตหลวงปู่มั่นที่หลวงปู่มหาบวัวท่านมีความคุณพิจาราในการสอนหลวงปู่ดูลงไปทำหนังสือฝากาเอาฝากไปอ่าฝากไป่ปไปเข้าไป น, นอนที่วัดธรรมสุนทรพระเจดจังพรหน่อยเสร็จแล้วก็ ลางาลก็ล้มตาลมาหัวก็ฝากไว้ให้ดูให้มาอบรมลุงตามมาหาวเพื่อความไม่ยู่ประมาณเดือนเดียวก็ได้ไปเป็นพระอุปถัมภ์ลุงลุตาลจนลุงลุงปูนกาเลยไปเอาออกมาอยู่ประมาณปีหนึ่งแปดตั้งแต่หนึ่งหกหึ่งห้าหกเจ็ดแปดจะอกมีเดตการไทยแดงทั่วประเทศโดยเดตการไม่ปกติก็เลยทางทหารต้องการพระสงฆ์นำการทหารเพื่อความมั่นคงก็เลย ไปเอาเราเับมาเจอไม่อยู่สุ่อย่างเงี้ยแต่เช่นนโยมจริงๆการโล ง, ง, งมีค่ามากการพาวนาเราสุดยอดจริ ง, รงความจ่ิงของสมาธจะได้สมาธแท้เลยตั้นแต่เช่นนโยมภายในสองวันนี้ถึงเจ็วันโลงผู้หญิงที่จะให้แต่งนานมาขอให้สึกสึกไม่ได้บอกข้าไในว่าจะเจ็วันหรือจะสึกอ่ ไม่ได้ไม่ได้ใครเอาจีวรออกก็หายตายลูกเดียวไม่เอาไปไม่ได้เลยขาดหมดที่ศึกความที่เราว่าศึกนั้นหายเลยหายตั้งแต่วันที่หนึ่งกับวันที่สองหายจากกันเลยฮะด้วยการวัยมากเลยมันนึกต่อมาบอกว่าธรรมะชินดำชินก่อนเลยฮะคืนแต่เจ็ดวันยังไม่สงบก็ต้องศึกไปอยู่คทองเถื่อน เลยชินก่อนด้วยแบบในรู้เรื่องรู้ราวเลยว่าอะไรเป็นไรนะี่ชินก่อนเป็นดีเลยนะเราอยู่ในเรื่องต่างๆก็คุยท่านอาจารย์ลวู ด, ดูนี่ไม่ทมา่านอาลวูดูลีไม่สงสัยนะเพราะว่าเราเข้าใจแน่นหมดท้างในไม่มีเพราะเรามันเกิดขึ้นท้างในเพราะข้างนอกไม่มีมีแต่นายลูกเดียวนะฮะจิตเราก็อยู่ในสภาวะนั้นตลอดไม่เคยเลยว่าถามว่า อันนี้ที่พูดใน้เกิดความชัดเจนขึ้นมาถ้าจิตสงบแล้วจิตของเรายัางไม่เปลี่ยนเมายความว่าเราก็แค่ความสงบไม่ถึงพูดว่าในจิตแต่ถ้าสงบแล้วจิตจะเปลี่ยนจิตไปเป็นสภาวะอยู่อยู่ไหนสงบนั้นจะสงบไม่ว่าอยู่ท่าไหนก็สงบคือสภาวะเป็นเขาดีกว่ามันอยู่ในธรรมชาติดังนั้นในจิตก็เลยสอนเคยบอกขนาด ทำจิตของเราให้ทะลุสมาธิได้ไหมเพื่อจิตของเราจะไดปสู่ในธรรมะถ้าถ้าเราอยู่ในสมาธิวันไหนไม่เข้าสมาธิเราก็จะเดือดร้อนอย่นีเพราะมันไม่ผ่านเลยนะไม่ผ่านเพราะเราเปลี่ยนจิตเราไม่ได้ถ้าเราเปลี่ยนจิตเราได้เราก็จะเป็นพอสมตนางามเลยไม่ไม่ย้อนหลัไม่ย้อนกลับมาเลยจิตไม่ไม่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนของจิตก็คงจะไม่มีไม่รู้จะเปลี่ยนข้อไน พอจิตถึงที่นั่นแล้วจิตนั้นจะอยู่ทุกวินาทีไม่มีนาทีใหนเลยที่จะเขาจะไม่รู้จะไม่อยู่ตลอดไม่ว่าจะทํางานหรือจะทําอะไรท่าไหนแม่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนนะจิตตรงนี้มันไม่มีความสงสัยแหนในการที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนโน้นสอนนี้จะสงสัยไม่มีหมดความสงสัยในํางของพรุทธเจ้าไม่มีอะไรจะคิดกว่าแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีความสงส นะมีแต่ความอัจาริยะเขาเรียกคบพูดแล้วมันรสชาติอร่อยมากนะ่ะธรรมะของพุทธเจ้าถ้าเราทําถึงแล้วรสชาติมันเป็นรสชาติอมตะนะเป็นสิ่งที่สูงสุดจริงๆตอนนี้เรากระสมมติเสียเทียให้เข้าใจให้ใจู้บ้างหนึ่งถ้าเราขุดบอ่อน้ํำมาไปถึงจนถึงตาน้ำข้างล่างเนี่นะตาน้ําตรงนั้นถึงน้ําจะเป็นบอ่อน้ําท่วมเป็นบอ่อใต่ตาน้ําออก ตาหนังตรงนั้นไม่ได้อยู่ก่เพราะที่มัอยู่ออกเขามปเพราะมันคนละตากันให้เข้าใจว่ามันคนละตากันดังนั้นการที่เราทําจิตของเราต้องให้ถึงที่จิตจริงๆโยมจะไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลง น, ะนะ้ไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงไดมันจะเป็นจงอาของเขาตลอดเลยไม่ว่าอยู่ท่าไหนลำดับไหนจะไปอยู่ทางอย่างไรก็แล้วแต่ไม่เคยพูดถอนในจิตเลยจิตจะไม่เคยว่า จะเป็นอย่าง น, าานู้จนจะคุกจิตอย่างนี้จะทรมานจิตอย่างนี้หรือเศร้หมอจงจิตไม่มีนี้ตั้งแต่เราปฏิบัติมาวันที่หนึ่งวันที่สองไม่เคยเห็นว่าจิตเราจะเศร้าหมองหาไร น, นะไม่เห็นไม่มีช่องเศ้าหมองเละไม่มีเลยที่ว่าวุ่นวายเลยจิตไม่เคยนะไม่มีตัวตรงไหนตัวไหนวุ่นวายไปอยู่ในการสถานที่ไหนไม่วุ่นวายเพราะไม่มีช่องจะวุ่นวายเพราะจิตตรง น, นั้นมั น, มนอยู่ของมันด้วยธรรมชาติตลอดไม่ว่ากางวันหรือกลางคืน ในรอดแต่เราสัณหาของเราหลับไปทั้งนั้นเองตื่นขึ้นมาก็อยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปไหนเลยนะไม่เปลี่ยนไปไหนแล้วตรงนี้ความอัจฉรย์ต่างๆนานาของโลกที่โลกเราโว่าอนุตัจจานี้อัจฉรย์พุ่นตรงนี้ถ้าถ้าจิตของเราถึงธรรมแล้วเราเห็นอย่างเดียวคือว่าธรรมะของรูปธรรมนั้นที่อัจฉรยะยิ่งใจในโลกนี้ไม่มีอย่างอื่นเลยน่ะไม่มีอย่างอื่นไม่ว่า ดีสางนางมงนามไม่ทีุ่่จะอธิษฐานนี้นะไม่มีไม่มีถ้าพระเได้ิถึงทำแล้วจะไม่มีสีนั้นมาแทรกแซงได้เลยและไม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นไม่ว่าความความโกรธความโลกความหลงก็ตามมันก็ไม่มีช่องเพราะไอ้วามทำไอ้ข้าตรงนี้มันทุกทีไหนทีรู้แน่ต่หลงไม่เคยมีเลยถึงจะไปอยู่บ้านตาย อยู่ครูบาอาจารย์ท่านสองทุกทีต่างเราไปด้วยความนแน่วตลอดจะไม่แต่เราเริ่มก็แน่วตลอดเหนระบาดก็แน่วตลอดชันก็แน่วตลอ ด, ลอ ด, ไ, มอลอดไม่มีเลยว่าจะเปลี่ยนไปทางอื่นนะเราก็ดูตลอดว่าเออเนี่ยเราบวดมาสิบรรษาแล้วนะ่าจะเปลี่ยนแปลงยี่สิบปันาน่าจะเปลี่ยนแปลงสามสิบปันศาน่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยยังแน่วตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนช่อง มันไม่มีช่องนะถ้าเป็นตอโทรทัศนว่าช่องเจ็ดก็ช่องเจ็ดตลอดเลยมันไม่มีช่องห้ามันเป็นอย่างนี้เืลยท้องถามาก็เลยไม่ได้เปลี่ยนช่องกับเขาเลยก็แน่อตลอดอย่างนี้ยก็ถ้าะมมติยกตัวอย่างอันหนึ่งให้นมเสื้อเทีย่ยงในทางว่าอย่างนี้นนะเราเป็นหอ็กที่ก๊อปไปนะอาที่ก๊อไปเราตีเข้าไปลูกก๊อปก็กระโดดปูดเข้าไปตอนนี้เสื้อไปหลงตรงหลุม ก, กอ๊อปพอดีนะ มันไม่เคยเลยหลุมไปมันลยงหลุมก๊อพอดีก็เลยรู้แค่ในหลุมแค่นี้เองไอ้คนตีก็ลิ้งไปแล้วนะไอ้ไม้ตีก็ถิ้งไปแล้วเหลือแต่ลูกก๊กเอาหลุมแค่นี้ลู่นตลกเป็นนี่มันเป็นอที่ตันไปเรื่อยทางค่าทั้งตำมานที่พูดถงๆมันเป็นการชินดําชินดําเลยก็อดิการที่ร้องปล ท่านบอกว่าบุคคลใดถ้าทำปฏิบัติถ้จิตมงนพร้อมแล้วมันก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนจิตได้ทันทีเลยนะน่ะเปลี่ยนจิตได้ทันทีเลยั้าได้นานเราก็เลยเปลี่ยนแปลงเขก็ไปไหนก็ดูอย่างเงี้ยทางานใหญ่โตโบราณอ่าทำงานโดนเขาต่อต้างทุกสิ่งทุกอย่างเอาก้อนิดเพียงหัวทุนไล่ใส่หน้าลงยืนตลอดเลยซึ่งตุ้งไล่่หน้าก็ดีใจนะมานี่กายทุ้ไลใส่หน้าเอาข้อนิดเรียงหัวผมก็ไม่แตกก็ไม่เป็นไรเลือดชิดๆก็ตาย ว่าโกรธทำไมโกรธนี100่ร้อยเปอร์นแต่ไม่รู้จะโกรธเรื่องอะไรเพราะว่ามันน่าจะเป็นสมบัติของเราน่าจะเป็นสมบัติของเราทํำไมเป็นสมบัติของเราเฮ้ยแล้วเป็นทําไมมันต้องมาหาเราด้วยมันก็เลยเออใช่ของเราเคยทำมาแล้วขนาดโยธิสนมเขาเอาขี้ใส่บาตรแลอไม่ทําไมก็หมายความว่าเราเคขี้ใส่บาตทําไมาแลมันก็มทองทั้งนั้นทุกทีทุกทอย่างก็ไม่เป็นไรเราพร้อมจะรับ ขอให้เป็นของเรามาเลยมากลางคืนก็ได้มากลางวันก็ได้มาตอนเยงไม่ว่าอะไรมาเลยกรรมใดที่เราเค ย, ยนะเคยท้าทายนะเคยทํากรรมมาเป็นล้านล้านชาตเพื่อเสด็จมาเลยอตั้งแต่เพือตรงไหนตรงไหนมาเลยกรรมทั้งหมดมาเราจะได้เห็นหน้าเห็นตามสักหน่อยนะจะได้รู้ไม่ใช่หนีกรรมนะการคนหนีกรรมเป็นคนที่ว่าก็เหงาเราไม่เคยหนีเอาแล้วกันเราไม่เคยหนี มาแบบไหนก็แล้วแต่โดนเพรว่าเขาทุกการเขาเรื่อยหน้ามึงทุกสิ่งทุกอย่างเขาแล้วแต่ว่าในเขาว่าเขาไม่เคยด่าว่าอาจารย์เย้ยเผานายนถึงด่าเท่าไหร่ก็ไม่ถูกตาโคตรพ่อโคตรแม่เย้ยพ่อใช่ไหมด่าหมดก็ไม่เคยถูกทั่งย no. <visible> ิ้มตลอดเพราะไม่มันด่าไม่ถูกที่เราทําพเย้าใจไหมบางคนที่ทุกเพราะว่าเขาด่านึกว่าตัวเองได้ทําเหมือนเขาด่าทุกขร้อษทุกขรรษว่าเขาด่าถูกตัวเองถาเป็นคนอย่างไหน เขาด่าว่าคนชั่วเธอตัวเองกำลังทําดีกับ ต, ต, ต, ตัวเขาได้ยังไงมันก็เลยเรื่องเลยเนี่ยจะมาไม่เคยมีคนด่าว่าอาจารย์ เ, อเยอะนะเข้าหน้านี้แจ๋วเลยไม่เถือนไม่เคยมีแต่ได้โคตรพ่อไอ้เจ๊แม่มนนเมื่ไอได้โม้อย่างนี้ต่างๆไม่อาจารไม่รับได้หมดไม่มีปัญหาสบายมากยังบอกว่าโยมจะได้กี่ปีเดือนวันหนึ่งจะมาได้กี่ชั่วโมงเราจะได้วางเวลาให้ได้ แต่วันนี้จะมาด่าวเวลาตอนเที่ยงก็เราก็จะไปนั่งตอนเที่ยงให้ดา่าหนึ่งชั่วโมงก็ด่าไปสองชั่วโมงก็ด่าไปถ้ามดนเดยอะก็ด่าสามชั่วโมงก็ดได้ไม่ว่าอะไรไม จ, จะดา่ากี่เดือนกี่ปีก็บอกมาด้วยเพื่อเราจะได้วางทูก่นะ็คือมันจะได้เนี่ไหนๆเราตั้งใจดา่าแล้วมันจะหยุดนะไ้หยุดแล้วตายเนี่ยอันตรายเพรานะมันมันมาเกิดเพื่อมาด่านะอยู่ๆจะหยุดจะไปแพ้ร่าไม่ได้นะต้องเอาให้ชนะเลยนะเนี่ยรวมก็เล ย, อยบอกไม่ต้องไปตามหอก อันนี้มันไม่มีหัวใจเพราะต่างไงมันก็ไม่ได้โกรธโยมจะไปโกรธยังไงเราจะไปโกรธข้อไหนถามที่เราภาวนาดีๆเลยเราจะต้องไปโกรธสิ่งนั้นด้วยเหรอืออันนั้นมันไม่ใช่หลวงพุทเจ้าฮะอันนี้เราไปตามกับหลพุทธเจ้าอ่ะมาปฏิบัติเพื่อไปหาหลวพุทธเจ้าเจือกันนั่งโกรธคนคนรุ่งมาด่าคนรีมมาดา่าโหคนละเรื่มมาา อ, อ, อ, อ, อ, องเลยไม่เอาเนาะบอนไม่เอา พ่อตมาให้บุญตรงมาพูดแรงเป็นพระที่พูดแรงนะพอตมาโดนใครบ่ให้ให้ตมาเชื่อคนนี้ให้เชื่อองค์้นนี่ตมาบอกไม่จะเชื่อใพราพโดนเชื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วขอร้องเถอะที่ท่านทั้งหลายมาพูดให้เชื่อให้บุญตรงท่านไม่ได้บุญเจ้าไอ้นี้มันโดนเชื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วขอหท่านโดนองค์นึงเถะอย่างนี้เลยรมันเชื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วถ้าจะถ้าจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อยงแต่ตอนนี้เลยเชื่อพระพุทธเจ้าก็เลยจบ อย่างอื่นๆก็คือจบนะเราก็อยู่ของเราแบบจบไปเลยนะมันก็สบายอยู่ไหนก็อยู่ได้จิตเราก็เหมือนโดมจันทรตลอดนะสังขารร่างกายก็เหมือนพื้นดินอกอถ้าว่าธาตุสี่ก็เหมือนพื้นดินขันห้าก็เหมือนต้นไม้อาศัยพื้นดินทําให้เกิดความิ้นดินที่มีชีวิตต้องมีชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดไป เปลี่ยนใต้เปลี่ยนขาเปลี่ยนเขียวเปลี่ยนแดงเปลี่ยนน้ำตลอดเวลาแตจิตของเราเป็นไปร่วมัจแล้วถามว่าตรงนี้เกี่ยวข้องกันไม่เกี่ยวข้องกัน่ะตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกันอยู่แน่วตลอดน่ะมันตลอดการเลยนี่ตั้งแต่ที่ว่าตั้งแต่บวันวันที่หนึ่งกับวันที่สองอยู่ตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยถึงอยู่รูายการตั้งแต่ดูจะด่าว่าไงก็จิตก็ไม่เคยแน่วตลอดเลยที่อยู่กระโหลกตานะตะมายอมรับนะ องอนอยู่ลงตาไปยังชี้อ น, น, นู้นให้เนี่ยตมาอยู่กับลงตาลงตาไม่ค่อยชีย้นะท่านจะเอาการะปุกปากใส่เลยเนี่ยท่านต้องการจิตชิ้นให้เรามาให้ตมาไปตีความ่าไอ้ในสิบชิ้นนั่นคืออะไรโอ้โหเราตปองขึ้นปากเออมันก็ห ม, มายความว่าจิต่อาดีนะทึงขั้นสอนอย่างนี้นะถ้าจิตไม่ดีคงไม่สอนอ่น้ า, าคนอื่ก็บอก i, นีไน่ไอ้นี่นี่องนี้ไม่เอาจะเลือกตาเอาโอ้โหสาจใจมากชอมากเลย เ่ก็จะมาอยู่ร้งตาไน่ยอมรับเลยนะมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่ล้งตาขังไว้ในห้องเพราะอะไรเพราะจำมากทันทวกาออกแล้วเลยใครแต่ใครทุ่แจไว้ออกไปเป็นประบาทกลับมาเอ้ยต้องมาไขทุ่แจออกเพราะสีสียหายเลยมัหายตัวเร็วเพ่น้วยก็หายเลยนี่เราเลยได้อยู่ปปยกับล้มนะตาเนี่ยทัาโบตรงๆจน หลงตานะพ้อผมตรงนี้เรื่องการสอนลูกศิษย์นัน่นเรื่องจริงสุดยอดสุดยอดจริงจนะสุดยอดนะที่ว่าคือไม่ใช้เดินอยูที่เจรียมครูบาอาจารย์หรอกแต่ว่ากา ร, บกรอบรมขอลนลูกศิษย์สุดยอดพราะท่านเอาทุกโ อ, โอ้โหพิเศษมากที่เราได้รับมาพิเศษนะเพราะฉะนั้นที่ว่าที่เราอยู่ครูบายการย์เหมือนอะไรหนึ่งตัมมาเนี่ย เหมือนน่ะขาเรียกว่าไงการดีมันนํำพาไปทําไหมฮะทำไมต้องไปบวชอยู่ล้มปูรุะเราอยู่กุบล้มุรุนทาไมล้มุรุนต้องไปฝากไปอยู่ล้มตาลาะบูรุนแค่นั้นก็พอแล้วสุดยอดแล้วอล้มตาลเออล้มุรุนให้ลองการกลับมาล้งปูก็ขอกลับไปขอกลับมาอีกกลับจากบ้านกาดมาเอารถไปรับกลับมาก็มาอยู่สบายจน อยู่ตรงไหนมาตรงไหนที่ทํายึดไม่เคยไปจะไปอ่มหานวิทยาลัยจะยอมให้สร้างวัดจะสร้างมาดามอะไรมาชอดใจมาหนักมาโนดนหนาแล้วก็ได้วัดก็ได้สําเร็จวัดทันทีจนมีครั้งหนึ่งที่ทอําเภอสนมลุงปู่สวัสดิ์ไปขอร้องว่าเยนินจะอยู่นะเขาข่าพระมาแล้วนะที่เนี้ยมาเขาพูดคือเป็นพระนุ่มก็ไม่ค่อยรู้ว่าอะไรเขาที่กลนก็เลยบอกว่าท่านจะตาม ผมในฐานลูกศิษย์หลตามหมาบูนะครับผมเนี่ไอ้เรื่องนั้นาหายแล้วครับไม่มีแล้วครับเรื่องตายหน้าที่ไหนผมก็พร้อมแต่ว่าผมเป็นลูกศิษย์หลวงตามหมาบูดังนั้นปัญหาที่สนมเนี่ยจะแรงเท่าไหร่ลูกศิษย์หลงตาครับได้หมดแต่ท่านกลัวว่าตามานเนี่ยเขาเดินกระบวนการต้ตานหมามากระพอ เมื่อไก็เคลือนธรรมะธรรมะกเคลื่อนต่อก็ต่อยมาธรรมาก็ต่อยต่อท่านนึกท่านดูกิริยาท่าทางธรรมาน่าจะเป็นคนนักเลงอย่างนั้นที่ได้จรงไม่ตายเลยธรรมาเป็นธาตที่ไม่คือเขาเรียกว่าเหมือนมันไม่ใหญ่เท่าทุแก่นะจริงจรมันน้อยกว่าจินจบอ่ะมันเล็กกว่าจินจบอ่ะคนดูมั่นทุแกแต่จริงๆมันจริงจริงเกี่ยวกก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาการไม่ต้องกังวลหายกังวลได้เลยถ้าเป็นผมก็ไม่ได้ว่าไม่โทรไม่เกียงแต่ทีนี้ มันเข้าทางรนะเข้าทางาจริก็เลยไปที่ไหนก็ขเขาโดนต่อต้านเม่ไรก็สรางไว้ถ้ต่อตามมากๆก็สร้างของวามบาทเลยเคยเขาสัใจก็เลยก็ดูแล้วไม่มีอะไรเพราะเราไม่ได้โกรธไม่เกียดเขาแต่ล่าตาอตอนนั้นที่ญาโยมนะพูดตรงๆมาที่มาเคยจับเรียนั้างอาจารย์โ อ, นะอ้คหพวกเราเนี่ยก็มีคบาอาจารย์ยิ่งใหญ่ <ก>โข <Ed> เ <ge> นี่ยไม่ใช่ธรรมดานะรูปปูพันเหรอรูปปูเท่รูปปูขาวโอมันใหญ่แล้วนะโฆษณาสูงสุดยแล้วไม่เหมือนปัจจุบันไยปัจจุบันเนี่ยรูปม่ได้รูตานะนะอยีแล <ine> ้วมีครูบาอาจารย์ที่มีใจใจว่ารุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นเหมือนโดนทับตราโดนครูบาโดนครูบาอาจารย์ทับตราแล้วลกเปียนแปางไม่ได้ เราโดนรับแล้วก yes, ็เเปี่ยนไม่ไ้นะน่ะมันมันซึ้นไปแล้วมันพระยานโยนะหลายวันเนี่ยครูบาอาจารย์อนุสามาสอนมาปฏิบัติอย่างนี้โอโหนงถ้าอนโยไม่เอาตอนนี้นะพูดตรงๆเ้าวนาจะเลื่นเส้นที่่าเราก็เลยโอ้โหดีดีภาวนาไม่ต้องไม่ต้องใช่ถึงชมงคละถ้าตามที่มาภาวนาไม่ต้องถึงชมงวลมูนนานเกิน ชมง น, นานเลยไปแล้วแต่ชมงศ์หนึ่งไม่สงบโอ้ โ, อโห โ, โห์นั่งบางคนง 1, 3, 4, 5, นั่งถึงสามชั่วโมงยังไม่สงบเลยหมาความว่าเราหาที่ตั้งจิตไม่ได้เราหาที่ตั้งจิตไม่ได้คือควบคุมจิตไม่ไดูอะตั้งตรงไหนจิตจิตก็ต้องเข้าทางไหนะก็ต้องเข้าไงาไงม่ในใจดำหอ ถ้เราเข้าในเหมือนกินข้าวเน่ยเข้าป่าแล้วมันก็ลงไปถึงกระเพาะอ่าถึงกระเพาะแล้วมันอิ่นใช่ไหมอิ่มแล้วทําไมภาวนาไม่รู้จะอิ่มที่สีเนี่ยเพราะมันไม่ลงกระเพาะนะมันไม่ลงกระเพาะเลยมันไม่ยินถามเอานาผากินข้าวอิ่มไหมไม่อิ่มแล้วเอาจมูกกินข้าวอย่มไหมไม่อิ่มเพราะจมูกที่ไหนมันกินข้าวอยู่นะเพราะมันไม่ทําไมดังนั้นการภาวนาโยมต้องไม่ทำไม ข้าในแล้วต้องมีที่ตั้งที่ต้องกับมันที่ต้องกาบมันด้วยต้องกับมันด้วยทำให้ต้องกับมันเนี่ยเมือน้ำเราต้องมีรองกระเทน้ําใส่แก้วมันต้องมีแก้วรองน้ำเราก็เทลงตรงนัไม่ใช่เปียนท้ายเปลี่ยนขวาเปลียนหน้าไปน้ําไปไม่ได้รไม่ไม่น้ําไม่ไม่เข้าแก้วถ้าน้ําไม่เข้าแก้วนั่งปวดแขนปวดขาปเปล่าไปโระโดดเงนตายเลยชนตันไม้ตายหมดเรื่องหมดอันที่หนา เพราะจริงๆเรื่องที่ตั้งจิตยิ่งใหญมากที่ตั้งจิตยิ่งใหญถ้าเราตั้งข้างนอกรับรองเลยเราเหื่อยมากเราเหนื่อยมากหูได้ยินเสียงว่านี้พิเรนิบุกได้กินเหม็นกระหว่ า, านี้พิเเนีิโอออกรับรู้เลยออกมารับรูทุกเรื่องแล้วทาไมเราไม่ดูข้างในความรู้สึกนึกคิดยังไงเนี่ยเพียงแต่เรานึกเหมือนลมนึกหน้าแนะลาลมนึกใหม่ตนาะตั้งหน้าตั้มาเนี่ย แค่รื้อเฉยน่ยโยมก็จะรู้อันนีน้ต้องเป็นยังไงน่ะตัวน้นคือตัวจิตตัวนึกน่าเราตัวนึกตัวนี้กลับน่ะเราตั้งไว้อยู่จี่ไหนก็ต้องกลับไปอยู่ที่น้ไม่ใช่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกนั่นละมานี่ไม่ชอบเคลื่อนซ้ายเคลือนขวาเคลืนหน้าข้างหลังคือมันมันมันไม่มีโอกาสเคอื่อนองค์ ม, มาาเป็นโอกาสว่าเอาก้นหินลงน้ำเจ้าเระาก็ตกไปเลยมันไม่ไสนใจ ต, ตาจอมงอกแห น, นเลย ไปยุงโคลเลยทุ๊บเลยเลีนยงที่โคลเลยยันเดียวว่เลยไม่บอกใครเพราะว่าตอนนั้นเพราะการอ่านนสือมากก็มีคนต่างมากนะเพราะว่าอะไรมือเพราะเราเป็นชิดต่างๆนานาไปก็เลยหาขุดย่อในทำนองนั้นการบริการพังมันทุกวินาีนะไม่ใช่ชั่วโมงนี้มานั้งอย่างนี้นะอีกชั่วโมงหลังก็จะเป็นอยู่ที่ไหนใม่รู้เรื่องอ๋อ เสร็จแล้วมานั่ ง, งดอเองีเก้าทุมมออกมานั่งมาเล้วก็มีดูแหะตอนออกไปอยู่ที่เตาอ่าวไม่ไดีดูเอาแล้วก็นั่งตรงไหนไม่คิดแต่ท่ามันเหลือตอนที่ท่านหมายความม่านั่งไม่ชอบเออไม่มีความกระตไม่มีรสชาตก็เลยถึงเลิกนั่งแล้วก็ไม่เอาไปด้ความจริงเลิกนั่งก็ต้องไปด้วยจิตตรงนี้มันมันมันไม่เอาตลอดนะ อ้ามันเงี้ตลอดเวลาไอ้ น, นี่เลยเราวาแบงเวลาอ่าเวลานะั่งสมาธิชันะ่วโมงนี้นะอ่าเนี่ไอ้ชั่วโมงอื่นแล้วไปนั่งอะไรแล้วไปทำอะไรความรู้สึกนึกคิดไ ป, ไ, ไปทำอะไรไปด้วยไปทำอะไรลึกอะไรอ่าผมตัวหรือเปล่าอ้าเพราะตัวลึกตรงนี้กับการทำงานมันต่างกันนะการรูเึกรู้ความรู้สึกในทำอ่ะในในจิตของเราเนะี่ยกับการทำงานมันคนละส่วนนะถ้าเอาเป็นเป็นเดียกันเมื่อไหร่เบือท้อทันทีนะ เราจะร้อนทันทีเลยก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเรากินเข้าหอิ่มเนียถามว่ามืออิ่มด้วยไหมไม่อิ่มใช่ไหมฮะเท้าก็ไม่อิ่ะมนะเอาแล้วทําไมมันใปดึงกันได้มันก็มีเก้าขอความ ร, รู้สึกทางไหนก็คือทางไหนถ้าจิตมันอยูทางไหนจับไปไหนพรจิตเข้าในจิตจะรู้แจ้งนะฮะจะรู้แจ้งไวจะรู้สิ่งที่ที่สุด ข, ของจิตก็คือรู้ธาตุธาตุทั้งสี่นะเป็นดินน้ำํำลมไฟ ถ้าจิตของเราสงบแล้วมองตรงนี้ไม่เป็นดินน้ําลงไปได้คิดว่าสงบเลยฮะเพียงจิตมันพักเฉยเฉยเพราะจิตสงบแล้วจิตมันจะเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนเข้าไปถึงปัญญาทันทีแต่ตัวปัญญาเกิดขึ้นมามันจะพิจารณาภาพของเราอะธาทั้งสี่เป็นดินน้ําลงไปไนดะ้มันจะมองไปไปเ ป, ป, ป, ป็นปดินไปนน้ำเปลงไปและถ้าเรามีภาวนาสงบแล้วมองภาพไม่เป็น ท, ทําอะไรทธาตนะ ถ้าสมาพูดตรงๆเลยไม่รู้แต่ว่ารับไม่ไหวเราไม่ได้หมายความวสมาธิตรงนั้นไม่ถึงขั้นถึงมองกายตัวเองไม่เป็นใจรันะถ้าไม่เป็นใจรักหมายความว่าเราก็ยังรักโลกอยู่อ่าเรายังรักอยู่จึงไม่มองอันนี้เป็นที่เลยนี่นี่เป็นแค่ถ้านั้นเราต้องพยายามน้อมจิตเข้ามาแม้จะเริ่มนั่งภาหนาแล้วแม้จะคุยแต่งอะไรต่างๆอ่ามันก็ต้องอยู่ ในที่นั่งตองที่นั่งทำงานเหมือนกันหมดตมาทํางานนะพื e. ้นที่ตมาหมื่นสองพันไร่นะฮะไม่ใช่น้อยกว่ามื่นสองพันไร่การต่อต้านการปจะหยัดยางการตัดไม้ทำลายป่าป่านี้ไม่แค่ธรรมดาอยู่ไปเพื่กไปขวางเข้าเลยทั้งโดนดักยิงดักฆ่าดลกอะไรต่างๆนายก็ไม่ยังไม่ตายก็เพราะไม่ตายก็เพราะว่าไงเพราะเราไม่ได้ทํำพวกทําดีเรื่องตายบอกว่าไม่ไม่ต้องกลัวออกตายวันไหนก็ได้แต่ว bon ่าไม่เกิดไม่มา <ooh. S 1> ถาว่าจิตต่อจะไปเกี่ยวพ้องกับสิ่ันไหมมันคนละส่วนเลยคนละส่วนชัดเจนเลยชัดเจนเลยไม่ใช่ธรรมะคนละส่วนเลยติดแน่วต่ อ, อยุคไหนไม่เคยเลยไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันไม่เปลี่ยนว่าเออไปท่องซ้ายท่องขวาไม่มีไม่ไม่เปลี่ยนกลางคืนก็อยู่นันกลางวันก็อยู่นันทํา ง, งานหนักก็อยู่เหมือนเดิมมือก็ทําไปติ็บก็นแน่วข้างใน ไม่ดีความโอ้เบื่อหน่ายงานนี้เบื่อหายงานนั้นเที่เก no. ียดงานนี้ที่เกียดงานนั้นไม่ปรากฏที่เกลียไม่ปรากฏที่จิตถ้าปรากฏที่จิตเราต้องกําจัดมันออกไปให้หมดมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงความที่เกียดเกิดขึ้นมาไงความพอแท้เกิดขึ้นมาไงความสมองต้องจัดมันให้ทิ้งไปเอาอะไรจักถือว่าปัญญาได้เลยถ้าเราไม่ฆ่าตัวเองมันจะได้อะไรถ้าฆ่าตัวเองเราได้คํา ไม่ใช่ปูคอตายนะไม่ใช่นะคือฆ่าความคิดสิ่งที่ตามๆ่ำออกไปให้หมดให้เหลือแต่ธรรมนั้นแหละเราจะเป็นธรรมตลอดนะเพรฉะนั้นการเรานะเราก็ต้องดูข้างในตัวเนี้เลยคิดว่าไปบ้านแล้วเลยไม่ได้คิดเลยไอย้ตามอุตสาหสอนเอาเสียงเมาก็แล้วเสียงหนักก็แล้วลูกก็แล้วตัดไปไม่รู้ตางชื่ตรงไหนเอ้ย มันรู้สึกไม่ตอบสมองครับไม่เห็นไม่คือ mustache. พวกเรา ต, ต้องพักนะแตมาอยู่หลงตาหมาบูมพุ่งหลงตาเทพสนาฟังจิตฟังเลยตัวจิตรับไม่จิตในจิตเลยตัวจิตเจอไปหลงตาเทพอ๋อคิดเลยอ๋อถึงจิตสุดมจะคิดเลยันึ่งบมีแต่อร่อยเลยมีแต่รสชัดเลย หูตุ๋นตาวิ่งออกมางๆลยว่าอันานม้ร่อยยัหนาวเนี่ยหมูเตุจะพูดถึงไงมันปัญายาใถูกมันอร่อยมันอร่อยในกินโลมันต่างกันกับอร่อยในป่านะถ้าไม่เชื่อโลมเหมือนโลมกินข้าวไปเนี่ยโมกินข้าลิ้นไปแล้วนะรสในธาี่ในป่าลิ้นของโลมอะรสาตในกระเพาะมันรับมันควละรับชาิกันนะโอ้กระเพาะมันไม่ไมเป็นอย่างนั้นมันยิ่เปรี้ยวนะ โอ้อมันไม่ปเปรี่ยวนะมันต่างกัา ม, มันแม่งทุกเลยเนี่ยตะ ม, มาก็บอกสซ่แจ่ตมต้นตาเลยเขาบอกแซ่บอะไรนก็ทำอ่างต้นตาอะลรไม่รู้จะพูดยังออไงเลยเป็ น, ปนคนนี่ไปคือมันใส่ใจเราอยู่ครูบาอา่ารย์แล้วอยู่จริงๆเราจะอยู่เลเ่นนไหมถ้าอยู่กับครูบาอาการนะระมาเนีน่ถ้าอยู่คุบาอาจารไหนระมาไม่ได้อาบน้ำไอ้ท่ไม่ได้เดินนวดไอ้ท่านตะมาไม่อยู่หรอ ถ้าไม่มีโอกาสต้ม น, น้ําร้อนในนั้นไม่อยู่อยู่ไปทำไมอยู่ไม่ได้อะไรหรอกนะไระ้สาระการอยู่ถ้าอยู่ต้องไปอยู่เื่อท่านเพราะไปคุยกับท่านวันหนึ่งอย่างน้อยก็สิบคงไม่ใช่อยู่กับท่านไปหนึ่งท่านไม่เคยพูดเลยเลยไม่ร้องไอ้เร่อนั้นไม่เคยดูหรอกอยู่เรืนั้นไม่ได้ดูแล้วถ้าอยู่อันนี้คือบูชาถ้าคิดจะอยู่ถูกทางต้องอยู่ด้วยใจอยู่ด้วยใจเลย มันจะได้ถึงใจเนี่อันนี้อยู่ตักไปอยู่ก็เลยงันไี่ตายเลยสมาไม่ได้ยังมาอยู่อยู่ถึงอยู่บนลุงปูดุนอยู่จนถึงเลยจนลุงปูดุนหมดลมสุดท้ายเนี่ยสมาธิเป็นผู้ปิดตายเองนะหมดลมสุดท้ายเนี่ยลมหมดลบหลหลบหมดลมาักสมาธิตายรู้เลยตาปแล้วเรียบร้อยอาณาที่สบายถามลุงปูเลยลงปูจะไปที่พาน้าไหมท่านมอมดึงจิตเป็นจิที่ตั้ง จิตไม่มีอารมณ์ทันมีที่ตั้งมีเกิดกมีอารมณ์ก็มีเกิดเบอกขอเขาเลยกลับมาหนูสาธุหมายความลงปู่ก่อนเพราะจิตไม่มีที่ตั้งจิตไม่มีการเกิมายมความไม่จิตนั้นสภาวะจิตอะไรลปูดมาก็มีแต่ะมาธิถ า, ามธรรมะลงปูตลอดเพราะเราความกระตันดูบปบายจางเคลื่อนคือการถามธรรมะคูบายจังช่วงที่อันวิกฤตชีิต ที่ท่านจะหนักไปถามการถามพูดกานย้ำย้ำย้ัย้ำย้ำย้ำย้ัจนสุดหตรงรูบอกแตรักษาโมงมนต์หงปูก็รวมเข้าเข้าแผย่ผลแผลสมาเข้าถึงมันจบดูตุวานดูดูจนอาจารย์บนรงตานต่างๆดูแบบนั้นแ่ะพารศษาอาจารย์ก็การศึกษาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้โอกาสก็เลยไม่รู้อะไรจากฝังงานโญ่ก็ ปากวิธีการปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัตงิไงปฏิบัตแบบมีรสชาตหรือแบบนั่งตากมีตากงอตากเบี้ยวโอ้โหหน้าคามิวทิ้งควรนะั่นไม่มีรสชัางไม่ไรถ้านั่นงแบบนั้นไม่อร่อยเลยทรมานมากเลยอนะัเพราะทรมานมากนั่งแบบทรมานเนี่ยลำบาก น, นะเพราะอะไรเพราะเราไม่มีที่ตั้งดังนั้นเรามีปูบายจารระดับภายในการใหญ่นโอ้โห ดีเถอะอาจารย์นายที่ว่าจะโยนทำเหมือนท่านนะไอเดือนหนึ่งมันช้ามันนานเกินนะคุณตรงจะมาว่าเดือนหนึ่งนานเกินไปนะจปละลายอยู่บ้านตาจะมาถามเลยเฮ้ยหนุกน่อยู่เป็นไงทําไมเฮ้ยรู้เรื่องเลยโหที่อยู่ยังไงทาไมเรามีจะ่อร่อยอร่อยแล้วทำไมท่านไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วตาพูดให้แม่อร่อยเลยเฮ้อร่อยเลยสารพิษก็น่าห็นใจเนาะเพราะเขาไม่ คือเขาไม่รู้แกงนี่มันมันอร่อ ม, มันมันมีรสชาตินะให้เราเสือกกินก่อนหน้ากินก่อนมาบ้านตาก่มันเลยจะรสชาติของมันต่างกันเนี่ยอะไรเนี่ยอะ้นก็เลยก็เราก็อยู่คุ้มบาทเราก็อยู่ก็สบายไปถึงเราเจอเคารพคุ้บาท จ, จังไปดังนั้นตอนนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรก็มากมาย ก, ก็เรียนจะพูดวิธีการปฏิบัติวิธีการรู้การแจ้งม่าจะรู้มันจะรู้อย่างไงให้แจ้งอย่างไงให้ ให้ขาดจะปั้นย่างไงเนี่ยตัวนี้ตัวสาคัญมากขาดที่ตัวเราเอง น, นะฮะดังนั้นวันนี้ผมก็ขอโอกาสในการเช่นนะครับ